นะแต่ว่ามันถูุกเราให้ความรู้สึกที่ต้องสู้ซึ่งสามารถแปลงปลับแปลงมาสู่สู้กับโลกภายนอกเจ็บก็ได้หนระื อ, อสู้กับคนที่ริงชังเราก็ได้ให้กำลังใจมากนะที่จริงของไทยมันมีแต่ว่าไม่เป็นรม่ดับปับภพมานีานนาการเดินทางกลาแต่ว่า วรรณกรรมไทยก็มีจุดอ่อนตรงนี้ครับมองจากตัวเขเองนะีว่าเจ้าชู้ว่าอย่างไรบ้างทำให้หการตื่นตัวในการอ่านไม่พอต่างกันคือคือพอยินดีด้วยไม่ค่อยจะได้สามก๊กก็เป็นวรรณกรรมเออมีเรื่องแปล ก, ลกนะครับแตพูดวรรณกรรมศาสนาแต่เราดูเหมือนเราส่วนใหญ่จะไม่จะไว่ายอมรับว่าสามก๊กเป็นวรรณกรรมศาสนา คี่ต้องไปเล่งสึกเสือเนือใต้ในชะ่ไหี่จริงเป็นนะเรื่องคุณธรรมนะตัวละครแต่ละตัวนะมันตัวแทนของคุณธรรมอนยะ่างอ่วนอะูอะไรเงี้ยจะเป็นที่บางสามเจ้านับร้อยนับพันหรือเราจะดูลูปลูปย่อของวรรณกรรมที่นี้ในหนังจีนกาลังภายในปัจจุบันก็ไดนะ้เป็นลิฟทมีดสั้นอะไรนะ่ซึ่งมันไม่ใช่เพียงแต่หนังไม่ใช่เพียงค่ภาพยนอ ย, า น, นะนอย่างเดียวมันยัง สอนอะไรบงอย่างสำหรับผู้ดูเนี่ยแล้วมีความเข้าใจได้เห็นใจตัวโกงด้วยครับเหมพอมีลิปนิฟันของของดูครั้งเดียวรู้สึกแต่ไม่อ่านไปทั้งสือวม่ได้อาจจ่านหนังสืออ่านหนังสือจะ็นดีมากเพราะว่าจบงอยาบางตอนจบได้หรอเป่าไม่ได้อาจจ่านนะคะเป็นเล่มแรกๆที่อ่านกำลังภายในแล้วก็แบบติดเลยฮะอ่านแล้วก็บางไว้ลงจนจบเรื่อง ในาคืนก็เปิดไปหาเลยไม่ได้อ่านไม่เจ็บตั้เลต่แเพราะว่าเป็นป๊บเพราะทัี้เพรพ่อเป็นคนริเริ่มให้ตลอดต้งมีส่วนนะคะัเพราะว่าคุณพ่อได้เขียนหนังสือแล้วก็ที่บ้านหนังสือเยอะมากเมืะกะวีืี้ดีขี้แดงขี้แด้ว็สมัยนั้นก็อ่านทุกเรื่องที่อยู่ในนิตยสารเล่นที่พ่อเขียนแล้วพ่อเขียนหลายเล่มผมจําได้ผมสัปดาห์นี้ผมอ่าน๕๒๒เล่ม เป็นตอนๆนะแต่มันเป็นใหล่แ่เป็นตอ น, ตอนแต่แบบยอาทีตย์ตึ่งก็มา ต, อาอาต่อคิดได้ตรงทีว่าแม้ความคิดว่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ไม่แปลกอะไรเนี่ยทงกระทวงศาในผู้รับผิดชอบด้านาการศึกษาก็รู้อยู่เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้คงไปเรียนเพราะว่าในกระบวนการมาหากรรมนี่มันถูกตัดตอนนิดๆนิดๆแล้วมาเรียนเฉพาะตอนๆมนเลยขาดโครงสร้างหลักซึ่งเป็นความเสียหาย คือเด็กรู้สึกรู้แต่จริงรู้ไมจริงครับรู้นิดๆหน่อยๆนะไยไม่มีประโยชน์ไปเลยแต่ถ้าเราเราดูทั้งทั้งระบบของมันเนี่ยโดเพาะโดยเฉพาะวันกรรมมาของจีนห้ือสามก๊กเน่บตอนไหนตัวละครตัวหนึ่งนะตัวนั้นเป็นตัวเอกทจับชูโล่งจัูโล่งมันก็เอกจับกนรู้ขึ้นมานะมันก็ก็ขาวจิตชีนทุกทุกคนเนี่ยเป็นมีความเป็น เป็นตัวงเข้าเองอยู่ในตัวนี้แต่ละตัวก็มีบทบาทบาอิเดียก็มีลามเกลียง น, นย<ไ>ก็อีากลามเกลีนักศึกาไทยนักเรียนไทยก็รู้นินหน่อยๆไอ้รู้นินๆหน่อยนะแกล้วไม่รู้คแบบไม่รู้แต ย, ยังจะดีกว่าเอิ่มันจะลางเลือนมากครับเรื่องมหาการ ไ, ไม่มีการเรียน ต, ตอนเลือนมหาลัยผมจำได้นิสสื่อประชันศิเรื่มหนึ่ง ดีดีมากแต่ว่าไ ม, ไม่ค่อยพูดถึงช่วงหลัง The Story of civilization. ี่ของซีลิเซชั่ทภัณฑ์ของซีเอมโจทย์เนีย mm hmm. แต่งให้คุณลุงแบบหลานนั่งสนทนากัน mm hmm. เรื่องอาร้ธรรมเด็ mm hmm. กก็ถามว่ารถไฟเป็นอารยธรรหรือเปล่า hmm. ลุงก็พยายามตอบไปว่าไล่ไล่จนก็ตั้งว่าอารธรรมที่ว่านี้ตั้งฐานู่บน ความรุนแรงของการสช้เทคโนโลยีเพื่อเข็นข่ า, าหลักฐารของมนุษย์เรามากกว่าที่านทางสันคมเข้าและท้ายที่สุดก็บเบนเข็มการสนทนามาสู่คำสอนของพระพเจ้าของพระเยซูเนี่คือรากฐานอารยธรรมอารยธรรมที่แท้ว่าผมติดใจมากดีมากจะมีโอกาสลองฟังดูสครับ <c oughs> เขียนโดย C E M จด G E M O A D จดเป็นนัยสตรกาวได้่านักทฤษฎีที่สุดและมม่าคแน่นอนล้วมันจะคงอยู่พันสมัยอยู่เสมอนะโดยที่ คงเรื่องคือลูซี่ลูซี่เป็นเด็กเล็กๆติดลุงลุงลุงอายุปดสิบอะไรประมาณแล้วคุยกันแล้วเป็นเป็นความฉลาดของผู้พันเนที่เอาเด็กและคำถามเด็กๆเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญหลว่า <laughs> เพราะว่าเด็กทุกคนจะต้องตั้งคำถามต่อพ่อแม่ต่อสังคมพ่อแม่สังกมทำอะไรหนูเช่ <laughs> นสอนผิ ด, ผด ให้เกลียดขังคบเกลียบงูเซึ่งเป็นความผิดพลาดของคนลึกลัจยิงสัตว์เหล่านั้นแม่แต่ชิมบันซีอะไรนะนักวิศาสตร์บางครนี้เขาพิสูจน์ว่ามีความสภาพอดอนโยนแต่ที่ก็ดูโหดนั้นก็ไปทำเขาก่อ น, น, นมหาประารต่ายยึดกันนะฮะรายึดลรง ม, มากีนเอาไว้วนะ เหมือนที่บอกแล้วว่าลัมเคียนไทยนั้นถูกปรับแปลงเพื่อเป็นการเล่นละครในรัฐนะเนื้อหาชาระดังเดิมมีขา ด, ดหายไปมาพะ ม, า, ม, า, ม, า, มากะมาพกับนั้นมีคนสูงมากในอดียกตัวอย่างว่าในชวาอินโดนีเซียนะึน่งปัจจุบันนี้ 90% ซเป็นมุสลิม อ า, อาจจะออสเตรเ็นเลว่าให้โนุนมากนะแต่ว่าเวลาแสดงออกทางออสเตนั้นกลับใช้ลามัยนมากแล้วพอจะยึดซึ่งองฮินดูแล้วเคยเห็จใจผู้ถึิ่นใหญ่พื้นบ้านเราต่างถิ่นไทยอย่างไรทุกยุคยัอองพื้นบ้านหรือชาดกที่ถูกปลอกไม่เป็นยุคังพื้นบ้านเป็นอย่นะเป็นปลาบูทองจริงเป็นชาดกอ ปรับลูกเป็นใ ห, ให้ถึงชาวบ้านนะด ง, งนี้นันริงเนื้อหาของชาดกและนิทานพื้บ้านนั้นได้สะท้อนภาพของการต่อตั้งชุมชนท้องดีเป็นฟองมองล่อ่่าดีหรือนอนอนอนดีเป็นผลจากการตอบคำถามของคนทุนที่เกิดมาในท้องดินนั้น มีธีมาอย่างไรภูเขาชื่ออะไร <c oughs> ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องตอบแล้วนะมิธี่ตอบสตรีเลอามิธานประกอบ <c oughs> นะเช่นเนินนางนอนเชิงลาย น, ะนี่สตรีชาวเหนือภูหลอกรวงกังาดกลางแล้วก็มีทันกันแล้วก็เสียใจลม้มลงตายเลยลมันเพื้ยกเขาต่อนังเอง <c oughs> <c oughs> เป็ น, เ ป, นเป็นกระบวนการตั้งชุมชนเนี่ย แล้วชุมชนไหนที่มีลากลึกก็จะมีจักรวาลวิทยา ผ, ผู้รู้ในชุมชนนั้นจนะอธิบายว่าโลกเกิดจากอะไรถูกรกระเพียนในเรื่องหนึ่งเพราะว่าชุมชนใดมีจักรวาลวิทยาแสดงมีลากลึกคือมีผู้รู้ผู้กล้าอธิบายผู้สาาประมวลประสบการณทางภูมิศาสตร์เข้ากับมโนสถิตเลยอันเป็นบ้านหรือชาตินั้น เป็นระดับชาวบ้านปลามหากาพนี้ระดับของป่ามันมีในความไพเราะเพราะเพลงเนี้ยเต็มเตี่ยมไปด้วยสุนทรีศาสตร์มักมักจานแต่งต่อเติมมันเป็นลื่นๆ่นไป mm hmm. ลามเกียนจุกแต่งกลับใหมเ่เรื่อยตลอด mm hmm. มันเป็นกระวนการเดียวกับการสร้างโบท์กอติกใน mm hmm. ยุโรปเพราะฉะนันว่าโบูถ์กอติกที่ขึ้นสูงสู ง, งลหลนะไม่มีธามนิกเฉพาะ พอวันน้เป็นเพลงรับเหม น, นเพราะว่าผู้ออกไอเดียนันคือพลอที่มีสังฆราษกษัตริย์มันแบบยิงซ้ำๆำๆบทกติก็จะซ้ำๆมากมันลงตัวแต่ว่ามันชูเจียคุณค่าทางด้านสร้า ง, างาสไรบ้า ง, างามาหา ก, า ก, การบก็เหมือนกับบทกติดุสีวตวมตแ่งต่อมา 2-3 งสามสัตดาห์ ตุลยีธาตแต่งเติมแป่งต่อต่อตมันได้อยู่กับคนแท่าสมัยซึ่งย้อสงสัยที่ผมจะตั้งข้อสงสัยก็คือว่าในยุคสมยัยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นที่คอมพิวเตอร์มเข้ามีบทบาทไม่ไม่รู้ว่ามันจะส่งสผลสะเทือนต่อการเรียนรู้คนจะคำว่ากางเป็นไรงั้งอดีตนั้น ไม่เพิง ม, มีแต่คำพีที่จดจอนเรื่องราวนะทั้งรำเจียนทั้งเราาเ่องโลกตดอคนตวนแต่ก็มีกระบวนการแคร่วัฒนธรรมนั้นโดยหลอยรูปแบบเช่นน้งตลงละลุงและร้งเพลงและคอนเสนอสู่พับลิกสู่ชานมณนะคนก็ดูแล้วก็จำเลบางค น, นถนาวบานแทบไม่น่าเชื่อนะจำกรอนได้เป็นเป็นเล่มๆเลยนะคนโบราณอัศจรรยนะครับ แต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้น่าสงสันเว้นแต่ <When S 1> แบบคน mm hmm. ที่คลิกกัะบายอ่ mm hmm. ิกจะรู้ mm hmm. ผมสสงสัยกำลังสงสัยว่าเขาก้าหน้าทางเทคโนโลยี น, นี่เป็นเรื่องตัดเจกมากขึ้น mm hmm. อยากรู้อะไรก็คลิกกรบแต่เดิมเป็นสาธารนณะรวมทั้งพระด้วยนดูหนังตะลุงนะ <laughs> ต่ต้องแอ บ, บดู <laughs> เรียกว่ากระบวนการแพร่วัฒนธรรมมหากรรมเกือบจะยุติแล้วยกตัวอย่างในช่วยชีวิตผมนะผมยังทำงานแต่งงานพิชายัยงทำการแสดงหนักตลุงลาไม่นะทำทำได้แม่แต่จกระทั้งวัดนั้นถึงวัดนี้ไม่เคยเนี่เลยลเราเมื่อกี้ไม่เล่นหรือลุลงหรือสัิพิพยานในเรื่อง ตัวตัวหนังที่เป็นลูกยักษ์รูปลิงหรือะไรนี่ยมันสอเข้าเคยเล่นรามานะตัวในหนังวางท่านที่สนิทคุ้นเิดของผมอย่างกั้มพี่ที่เนึ่งชอบให้เขาบอกว่าเลิกหมดเลยไม่มีที่ไหนเล่นรามเกียนี่ะผมขอร้องให้ถ้าเล่นคือหนึ่งนะตอเล่นแก้มบนแล้ก็เล่นนั่อยู่มันไม่ใช่ผมดูคนเดียนะคือขอให้เล่นเรื่องเก่าทวนไปดูเลย หมดยุสมยมหากราร่ย่ยรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยได้ยินใครมาบูดชื่อบกนี้เลยถ้าวันไี้ไปอินเดียนะครับโดพาไม่ร้อนน้าชาเนี่ยหัวข้อที่คนเหล่านั้นชาวบ้านนั้นสนทนา น, นันแปลกผเคยนั่งฟังก็คุยนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างภาษาไม่ น, นัชาวเดียซึ่เป็นปลาชบอกผมว่าทีุ่าเาเป็น เป็นผู้รู้นห น, น่เขาบอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าคาชาวบ้าน็นหนึ่งในใดในร้านกาแฟน ย, ยกภาสิติขึ้นมาเนี่ย้างเอาฮันุมาเนเปนฮนุมานพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> เราจะนึกไปถึงเลยนะว่าโอ้เขามหากรรมอยู่ในชีวิตของเขาเลยที่เมืองโยธยาบ้านเกิดพลาเนีจึงเรียกว่านครหนึ่งโบสมีโบสถ์สี่พันหลัง แล้วจะยินเสียงสวดชื่อของพระรามสีดาช่างวันนั่นเองเพร่ยมหากราบคือพระคำภีรศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าเรื่องของการต่อสู้นวีรชนถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ว่าเกี่ยวกับมโนธรรมของเราด้วยเ <Okay. S 1> พราหลายครั้งในชีวิตประจำวันเราเราต้องใช้ความกล้าหาญควาอดทนไ ม, ไม่ไม่ใช่รู้แต่โทรศทัพ์อย่าโดยแท้จริงแล้วประวัติของพู้เจ้านี่ก็ใกล้าๆมหากับ ควกเราอานเราเกิดสรัทาเรื doll, ่องสเนเจ้มหาก่าก็ออนแรงลงก็นโน่นนิโนะนยายรุ่นใหม่เนียที่เรียกว่า n o v ว e เวลใหม่ new ซึ่กล่าวไปเรื่องโลกโลกแล้วหนักเข้าหนักเข้าในสมัยโราม่าติก็กล่าวไปเรื่องในสืพวกอันศักด์สิิ์ไปจนได้คนอื่นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมเองรู้สึกอานม้าเก่ารู้สึกติดได้ลดได้ชาต ก็ได้ค่ะเพราะเราใจ่วนตอนเอาได้ที่ท่องอะในทะเลแล้วถูคลายสมุดทรคำวโรภูนแ่หรืออะไระไซเรนที่ชื่อไซเรนปีศ า, าจ น, น้องจนตอนแล้วเราก็รู้ว่ามันมันไม่ใช่ของจริงนะไม่ได้รูปธรรม ท, ที่เป็นจริงนะมันเป็นอะไรบางสิ่งที่ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงอารมณของเราโดยตรง การได้อ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งสองครับเพราะภาษาผมไม่ไม่ดีพอที่จะอ่านโดยไม่ผู้ช่วย <laughs> ผู้ช่วยคือคนนี้ก็แปลว่าใช่เราก็เทียบเขียนได้บท <laughs> ที่สี่ดีมากเนะดีมากเขาคนแปลก็แปลเก่งว่ากเนละยชื่อวิจนตรมนจะเพียงการเล่าเรื่องเนียมันมีความไพเราะในในการเล่านั้นด้วยครับนะ ว่าในระดับโลกๆ ก, ก็การฟังดนตรีที่ไพเราะได้ยินได้ฟังได้อ่านบทกวีที่งดงามไว้บ้างทำให้ชีวิตข้าขึ้น <c oughs> ถึงแม้ไม่ใช่โล ก, กุตตรธรรมนมีนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาเราเลาบอกว่าทำงไงเราจึงจะฟื้นการอ่านและการกล้ผมก็แนวว่าจัดกลุ่มอ่าน คนหลายคนอ่านหีังสือเรื่องนี้แล้วมานั่งคุยเหมือนที่เราคุยเรื่องหนัง s t a บ w r หรืออะไรนึแต่ผมเชื่อแน่ว่าจะถูกปีพิจริงอย่างนักเทรดภาษาไม่เป็นเงินไม่เป็นทองก็คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะมากราบเลยขายเลยแต่ Harry ต o t t e r ขายดีขายดีโอ้โหหลายหลายร้านแต่ผงยังไม่ได้ดูก็จไดูครับก็ไม่นึกดับจะดู สุริโยไทยก็ไม่ได้ดนะูผมไม่ไม่เจอถึสีนะนะเป็ว่าชมท่าทายผมไม่ไอยากใจิตใจไปลอก ร, รูอะไรบ้างเลยอย่างเราดูหลังมมีันก็จะเป็ น, นอะไรเกณฑ์ารว่าเ็ความรู้สึกเรา แ, แล้วเหมอันขมดูงเขาไปอยู่ในเรื่องราวเขาครอบงำเราได้แต่ถ้าสติเราดีนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นจริงๆแล้ว ไม่มีอะไรครอบได้เพราจิตมันจะอยู่ไอ้สิ่งที่มันปรนักปร๋าจิตจะถูกดึงดูดไปสิ่งที่มั น, มนชอบถ้าว่าชอบรู้ตัวแล้วนี่ถึงจะไปดูหนังเดี๋ยวมันกลับมเองกลับเร็วา่าแล้วแต่ว่ามันมันต่างกันที่เราอ่นหนังสือแล้วเราเราไม่ถูกเนืตอเส้นดูดเพราะอ่านหนังสือนี่แ น, น, น, น, น่นอนเลยครับเข้าไปสู่จินตนาการครัและจินตนาการนั้นเป็นจินตนาการของผู้เขียน เราเข้าจูบุคอยตามลแลต่ถ้าเราเรามีความคุ้นเคยก่บความรู้สึกตัวมากๆเอำนาจของความรู้สึกตัวสดใหม่มีพลังกว่าเราเห็นชาติมนค่อยๆชำรกออกมาถอดถอนโอวัวลงมาแล้วก็กลับเป็นตัวปกติตัวเดิมแต่เรายังเก็บเกี่ยวเนื้อหาอารมณ์การรู้สึกแน่นอนครับกระบวนการนี้ไม่ใช่การหนีโลกนี่นจริง เราก็อยากดูน้ำก็ไปดูแต่ถ้าสิยอนถูกครอบ น, น้น <c oughs> มันในตัวความรู้สึกตัวที่ว่านี่นมันมันมีพลังพลังความสดใหม่ในตัวเองแล้วมันมีอาการที่ว่าเมื่าถูกครอบเงานนะ่ยมันจะรู้สึ ก, กผิดผันมันจะรู้สิกกน่ำแล้วมันดิ้นจให้หลุดนะถ้ากระบวนการนี้ถูกเรเห็นนอนเข้านี่ ยิ่งสลับยิ่งไม่หลุดนะเอาความคิดละความคิดมันวนนัวเนี่ยแต่มันจะละได้แต่เมื่อมันเกิดความเอื่มละออนคายเหมือนเราเบื่อแล้วทุกอย่างพอเบื่อนี้จะเริ่มอิสระที่เรายกเมือหรือเดสร้างจังหวะเดิ น, น, นู่ลงเว้ยมนเบือ่อมาดูความคิดความคิดเข้าตลอดเวลาเห็จ น, นเอื่มเลยเบือ่อ ผ, ผมเรียกสิ่งนี้ว่าการอาเจียนความทิด เมื่อกเรากินอะไรผิดสมดงไปทนเนื้อไว้อวกออกมาซึ่งมันจะส่ากนะครับเพราะอวกมานี่จะส่าตัวนี้เขาโดยเฉพาะช่วงนี้ตกกันมากนะนเรื่องการศากึกษาเด็กเขาไม่มีคำตอบโดยเฉพาะแต่ว่าศึกษาดายภูมิยาวทั้งโบราณซนะึ่งบักอยู่ในรูปของขนกเลนีนะนังสือโบราณ จำได้ว่าตอนเรียนม .6 นะฮะเรียนประวัติตรวับุคคลประวัติของเบรย์จอฟประวัติของดาวิซี่แต่อานิจจาต่างระเบียงอานิจจไม่รู้เขาเป็นใครทำอะไรได้วยทำต่อโลกนี้นะแต่ก็าเรียนจำชื่อได้สอบผ่านเนื้อหาว่าเปล่าอเงีเ้เพียแ่รู้ว่าดาวิี่เป็นนักสถาิทยาหรือผู้แต่ไม่รู้นอนเขาเนะ เียร์เทเฟ น, นนันดตรีเอกแต่ว่าก็ดนได้ฟังเพลงแล้วมีความไพเราะนั่นเป็นการเรียนตึงเหลวเหลวหลายนึกนออกใช่ไหมครับว่ารู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวโอการวางระบบทางการนั้นครอบงาเด็กมาหลายสิบลุ่นเลยครับ <c oughs> หลายสิบลุ่นรู้จักเบียร์เทเฟแต่หลายสิบลุ่นนั้นจะถึงหนึ่งคนหรือสองคนหรือล่า <c oughs> ที่ที่สัมผัสงานของเขาเนะี่ย สู้ครูที่ใจดีแล้วก็รู้จริงเอาเพลมาเยิด้ฟังอยู่บ้านเนี่ยเป็นเพื่นนะเป็นจะดีกว่าแต่เด็นี้ก็ถามไม่เป็นไม่คำถามเด็กมหาลัยเนีต้องถามม้เต็มเป็นเลยที่เราถามเขาก็ตอบไม่ได้ถ้าถามเรื่อาาก็อมอไม่ชอบบางทีตอบยากเลย <c oughs> มัเป็นผลของการสอบแบบออนไลน์อ่ก็ให้เลือกเราไม่ต้องใช้สมองตัวเองเลยก็มีเศษ แต่บางคณะที่ต้ให้ให้เขียนแล้วนะคะก็มีเขียนเหมือนกันตอนเก็บเรียนนีกก็เขียนเก็บเรียนภาษาอีกก็ชอเขียนเลยืมมันมีมันมีบางจุดที่ที่ไม่เป็นอะไรคะเป็นธรรมชาของของเด็กที่แม่ี่ไม่ค่อยชอบตั้งคำถแต่ถ้าถ้าเข้าไปถามเรื่องตัวเอง ต, ตัวตัวของเด็กนั่นด้วยนะคะยิ่งตอบอยากแต่ก็ได้คดถึแต่ตอนี้เขาก็เริ่มปรับปรับระบบค่ เกศเ่นหน้าช่วยสอัญญวันสก็สัญกต้อมากตวเหมือนกันที่ภาษาอังกฤษช่วยสอนมักบสิปีปีละคร้นั่นเองใมครับตัคอระไรครับจิตวิทยาคลน1ครับว่านการบบช่วยช่วยสอนช่วหล้างก็เบือบอกว่าหมดเวลาแล้ อาจก็ใช้เรื่องของรีพีชใช่ไหมคะเรื่องของสติ พ, พอผมพูดหลายเรื่องครับทุกทีม้หัวข้อใหญ่แต่จริยธรรมที่นี ก, ก็ต า, มม า, างนะวาทาอินโดนีเซีเด็กมาเรียนด้วยเร้เป็นผู้เสนอหัวข้อดีผู้เรื่องความรับการพิพกษาอะไรพวกนี้นะทำไงให้เด็ก มีเฉยๆนิ่มนวลเพื่อเอาทองดอชีวิ้นอืนนน่นมันเป็นคำถามที่ติดตามมาเป็นการไล่สำรวจ